พระธรรมเทศนาแผ่นที่แปดสิบเก้าลำดับที่สิบแปดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15มกราคม2559มีชื่อเรื่องว่าเกิดในแผ่นดินดีก็ขอให้ทำความดี อ้าต่อไปตั้งใจฟังนะักนักตัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานที่นี่หลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรให้คณะนััทธา ญ, ญาติโยมพอบอกพวกเราอยู่ทางไกลด้นด้านมากว่าจะมาถึงวัดของหลวงพอ่อใช้เวลาเท่าไหร่ออกมาเมื่อคืนตั้งแต่หลวงพ่อถามเ อ, อสอจอดูท่านบอกว่าออกมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งโ อ, อ้ห้าห้าทุ่มครึ่งเออ ถ่าทุ่มครึ่งหลวงพ่อรด้เยนโอโหเดินทางไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคานตะตาญาติโยมลูกหลาน่วันนี้เป็นวันที่15มกราคมพุทธศักราช2559วันนี้หลวงพ่อเห็นคานตะตาญาติโยมมาจากโคราชมีท่านสอจอกิติพ ง, พงสุรเวช เป็นอบพจนคกรราชสีมาและกับคณะบอกว่า200 220คนออกมาจากโคราชตั้งแต่ห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งเดินมาเดินทางมาจนถึงตอนเช้า เราเข้มาเห็นมาตักบาตรมาใส่บาตรพระสงฆ์ที่วัดของหลวงพ่อแต่วัดของหลวงพ่อขณะ น, นี้พระทั้งหมดที่พวกเราเห็นทั้งหมดมีอยู่43รูปนะค่ะนัศาติทยมแต่เมื่อเช้านี่พระลงมาฉันทั้งหมด34รูปงดไป 9, เก้ารบงดไปเก้าองค์ไม่ลงมาฉันโดยมากพระท่านฉันไม่พร้อมกันในวัดท่านภาวนาของท่าน ในหลวงพ่อคณะสัตยาญาติโยมามาจากโคราชต้นด้านมาถึงวัดหลวงพอ่อหลวงพ่อเห็นแล้วก็ซึ้งใจในศรัทธาของพวกเราถึงอย่างไรพวกเราจะเป็นมามา ล, ล, ลักษณะทัศนศึกษ า, ามาดูสถานที่ต่างๆอันนี้ก็คือเป็นการมาดูแต่ตาไม่จริงวัดของหลวงพอ่อในตรงนี้จะเป็นเป็นข้างนอกวัดนะคกธรรัทยาญาติโยมลูกหลาน ข้างในที่ตรงหน้าของหลวงพ่อเนี่ยอันนั้นคือเป็นวัดแต่วันนี้เมื่อวานในพระเขาก็บอกว่าจะมีศรัทธา ญ, ญาติโยมมาจากโกราชจะฉันที่ไหนหลวงพ่อหลวงพ่อออกมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศาลาหลังงนอกนี่แหละศาลาใหญ่ลางนี้พออยู่ข้างในก็มีศาลาแต่มันเล็กเนื้อที่รถบัสเข้าไม่ได้มันมีต้นไม้เยอะเป็นป่านะ เนื้อที่วัดของหลวงพ่อเนะี่ยมีกำแพงล้อมรอบอย่างพวกเราเห็นนี่ยนะกำแพงน็คือองค์หลวงตามหาบัว เ, เป็นผู้มาทำกำแพงมาสร้างกำแพงให้หลวงพ่อตั้งแต่ปี 2536-37 นะค่ากำแพงสมัยนั้นก็หมดไป20กว่าล้านนะคณะทายายิโวมลูกหลานองค์หลวงตามาสร้างให้กำแพงยาว 6กิโลกัเจ็ดรกว่าเมตรความยาวของกำแพงเนื้อที่วัดของหลวงพ่อ 1,350 ิไร่นะวัดวัดข้างในเนะี่ยหไร่เดี๋ยวนี้เป็นโฉนดเรียบร้อยแล้วนะแต่ข้างนอกเนะี่ย็ไร่ตรงนี้ก็เป็นที่วัดเหมือนกันวันนั้น ถ, ถ้าหากว่า่ถ้าหากว่าเราจะเข้าไปข้างในเข้าไปไม่ได้เพราะต้นไม้ ต้นไม้เยอะหลวงพ่อปลูกป่าเต็มไปหมดข้างในฮะเพราะนั้นจึงวันนี้จะเนมาต้อนรับขับสู้คณะทศไทยญาติโยมแขกบ้านแขกเมืองก็มารับกันอยู่ที่สลานอกหลังนี้นะแล้วก็เมื่อหลวงพ่อได้พวกเราได้ตักบาทเข้ามาก็ได้รับทานอาหารแล้วก็ไหว้พระ สมาทานศีลแล้วก็กาวคำถวายทานเมื่อกล่าวคำถวายทานเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสำโมทนิยการถาตอนรับขับสู่ศรัทธาญาติโยมที่มาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวจากนั้นเมื่อลวงพ่อได้กล่าวเรื่องราวจบลงไปแล้วก็จะมีการแจกหนังสือแจกหนังสือธรรมะ ให้กับคณะสัทธาญาติายาจโยมเพื่อเอาไปอ่านเพื่อศึกษาจากนั้นก็ m อ3ก็มีเพื่อเอาไปฟังถ้าหากว่พวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าไม่ได้ยินได้ฟังพวกเราอยากจะรู้เรื่องอันไหนเราก็ต้องไปศึกษาถ้าเราอยากจะรู้เรื่องคณิตศาสตร์เราก็ต้องไปเรียนเรื่องคณิตถ้าเราอยากจะรู้เรื่องกฎหมายเราก็ต้องปเรียนกฎหมาย แต่เพื่อเรื่องศีลธรรมจริยธรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนกันมาเป็นลําดับลารับแต่ถึงกยังไงก็เถอะจะให้เรารู้รึกซึ้งออในข้ออัดข้อธรรมนั้นคงจะไปเป็นไปได้ยากเพราะนั้นเราก็ต้องออสนใจใยในการศึกษาอีกเหมือนกันวันนั้นมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเราจะต้องมาสู่วัดวาศาสนามาสู่วัดของหลวงพ่อ หลวงพ่อจะได้ให้นังสือธรรมะและเอ็มพสเสร็จแล้วหลวงพ่อจะโน้มโมนนาให้พอพวกเราก็จะได้ขึ้นไปกราบไปไหว้พระภูก้อนพระนอนก็ว่าสวยงามนะหลวงพ่อไปเห็นก็ว่าสวยงามมากพระวัดป่าภูก้อน ท, ท, ที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นพระหินอ่อนเป็นพระปางศีหษสายญาติที่ วัดป่าภูกรอนอีกทีนี้ไปไม่ไกลอันนี้พวกเราหัวหน้าของเราเนี่ยพาทัศนศึกษาถ้าพวกเราได้มาพบมาเห็นแล้วพวกเราก็คงจะซึ้งหรือประทับในประทับใจพอสมควรเพราะว่าโยมสจหรือ ท, ท่านมาก่อนพวกเราแล้วนะเห็นแล้วนะท่านเห็นแล้วก็อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนออที่รักนับถือกันนะ อยากจะให้มาเห็นด้วยท่านจะได้พามาเพรา ะ, ะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาแล้วก็ให้ดูให้ฟังให้สังเกตตามแนวแถวพุทธศาสนาหาประสบปรการถ้าว่าเราอยู่ในที่แห่งเดียวเราไม่ได้ไปไหนเหมือนกับเราอยู่ในไม่กว้า ง, างแต่ถ้าเราไปเจอสถานที่ต่างๆเราก็จะได้เรียนรู้สถานที่ หรือ ว, ว่าครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะมาเห็นหลวงพ่ออย่างนี้แหละามาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะได้แนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องคุณธรรมศริธรรมจริยธรรมอย่างพวกเรามาทำบุญในวันนี้แหละถวายผ้าป่าผ้าป่าสามมคขีนะ เ, เพื่อการสร้างบุญสร้างกุศล ส, สาหรับพวกเรานะเออ การที่พวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจนะ้าเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะคณตธาญาติโยมดาว่าพวกเราไปเกิดผิดที่ผิดทางผิดสถานที่นะไปเกิดอยู่นะั่นแถวพวกเราคงได้เห็นตามสื่อต่างๆที่เขาถ่ายรูปม า, าประเทศไหนตกัู่โลกไหนหัวโต ท้องโตๆขารีบๆตัวดำๆยังไม่มีเสื้อผ้า น, นุ่งก็ยังมีทุกวันเนี่ยเราคิดว่าจะไม่มีมันมีนะในโลกนีนั่ น, นะถ้าว่าเราไปเกิดนี่สถานที่อย่างนั้นน่ะแปลว่าเราเปล่าประโยชน์จริ ง, รงๆเกิดมาทั้งทีชีวิตเพราะนั้นเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าแล้วก็ได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เป็น ผู้มีคุณธรรมเป็นพุทธศาสนูประถมพกเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาอีกถ้าว่าพวกเราถึงจะพระพุทธศาสนาเกิดในประเทศอินเดียอยู่ในประเทศอินเดียแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประเทศอินเดียหมดออยังเหลือแต่พวกพมาก่าประเทศไทยเอาเข้าไปแต่พืชเพของอินเดียทั้งหมดเพราะเหตุไร เออทางว่าเราสืบสอบนูดูในประวัติศาสตร์ก็เนะี่ยแหละขาดผู้นำํำขาดผู้นําที่เข้มแข็งแต่เมืองไทยของเราเนี่ยพระบาทจอมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งตั้งแต่กรุงศรีอยุธย า, าก็นับถือพระพุทธศาสนามาโดยลําดับดังนั้นพวกเราก็ได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาร่มเย็นเป็นจุกธรรมชาตาิก็ไม่ได้เบียดเบียนนึก ล่างแก่และอข้าพวกเราแผ่นดินก็ไม่ได้ไหวน้ําก็ไม่ได้ท่วมหนาวก็ไม่หนาวมากร้อนก็ไม่ร้อนมาก อ, อยู่ด้วยความสงบผาสุกอาหารการบริโภคอุดมสมบูรณ์ในพื้นทินฐานเหล่านี้กัเมืองไทยของเรานี่ยนะ เ, เรื่องข่าวน้ําโภชนาะอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยาก นับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะครับทศายญาติโยมถ้าเราคิดดูรอบๆด้านของเราแล้วนะนยังว่าปฏิรูปรเทสวาโซจะอยู่ในประเทศอันสมควรเกิดมาในพื้นแผ่นดินที่สมบูรณ์ปฏิรูปรเทสวาโซจะปุบเพจจากกะตะบุญจัตปบุญจตาลพวกเราคงจะได้ เ, เคยทำบุญไว้ในอดีตนะอดีตในชาติพวกเราคงจะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และพบครูบาอาจารย์ก็คงจะตั้งความปรารถนาในจิตในใจสาธุเนอร์ผู้ข้าเกิดมาในภพใดชาติใดถ้ายัางไม่พ้นทุกข์ในวัฏะสงสารกขอขอให้ข้าพเจ้ า, เาได้เกิดในประเทศที่จะได้ความว่าอดอยากาทุกข์ยากลำบากภัยธรรมชาติจะได้เบียดเบียนข้าพเจ้าจนเกินไปขอให้ข้าพเจ้าเกิดในสถานที่ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วย ก้าวน้ำโภชนาอาหารและก็พร้อมกันคนในยุคนั้นขอให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ได้คิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้มีน้ำใจต่อกันนี่แหละอันนี้ก็คือเราตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตจะบอกปุเพจ ก, กะตะปุญชตาอัตตะสัมมาปณิทิเมื่อเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอย่างนี้แล้วนะ เ, ออเราปรารถนาแล้วสมหวังดังปรารถนาแล้วมาเกิดในพื้นแผ่นดิน ละมีพระพุทธศาสนานะด้วยพวกเราควรจะตั้งตนไว้ให้ชอบอัตตะสัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ให้ชอบสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราอย่าคิดเราอย่าทำเราอย่าโทดในสิ่งที่มันไม่ดีให้ตั้งตนว่าเป็นคนดีให้สัมมาโสแสวงหาสัมมาชีพเลี้ยงชีพในทางที่ชอบจากนั้นก่อนเนี่ยปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอย่างที่โยมสจอจเป็นผู้ พานําพวกเราท่านก็แนะนําว่าเออควรจะไปะกราบพระควรจะไปเข้าวัดควรจะได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็แนะนําอย่างนี้แหละแต่เมื่อพวกเรานําเป็นคนดีแล้วนําไปพุ่บประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อก็ไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนบุญกุศลจากพวกเราแต่พวกเราเป็นหลวงพ่อพี่แต่บอกว่าเ อ, อลูกหลานเป็นคนดีนะ คิดดีทดําดีพูดดีเนอะคิดดีนะั่นคืออะไรคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขานะถ้าเรามีความโลภนะโลภในจิตในใจเราก็พร้อมที่จะฆ่าจะป้นจะขโมยจะไข่ไข่ก็ได้เพราะเรามีความโลภในใจเออแล้วว่าอย่าอย่ามีความโลภอ อ, อย่ามีความโลภในใจโลภอยากจะได้ของเขานะแล้วก็พัทยาบาดปลองร้ายเขาเนไะอ้เขาว่าเออ พระอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวีเขาโดยหาหาสาระประโยชน์ไม่ได้อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวีเขาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการคิดที่ไม่ถูกอแล้วก็เห็นผิดอยากเห็นผิดอยากทํานองครองทำเฮ้ยบอกว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญตายแล้วเกิดตายแล้วไม่ได้เกิดสิ่งเหล่านี้แปลว่ามิจฉาทิฐิ อันนี้แปลว่าคิดไม่ดีโลภอยากจะได้ของเขาปลองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองคลองทำอันนี้ก็บอกคิดผิดนะอถ้าว่าทำผิดนะทำผิดก็คือคิดอยากจะฆ่าคนอื่นแล้วก็ฆ่าสัตว์ฆ่าคนอื่นฆ่าคนอคิดขโมยสิ่งของของเขาคิดดาบละล่วงในสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นไม่เคารพสิทธิ์เขาอ่คิดโกหก คิดตื่มสุราอ่าอันนี้ก็คือการกระทํำการกระทําผิดแล้วพอการพูดผิดเนี่ยพูดเอปดพูดจอเสียดพูดคําหยาพูดเพ้อเจ้อพูดหาสาระประโยชน์ไม่ได้พูดยุโยงให้เขาแตกแยกกันนะอันนี้ก็คือวาจานะคือคํำพูดเพราะฉะนั้นคิดดีเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ไม่โลภอยากจะได้เขาเขาไม่พยาบามปองร้ายเขาเห็นไม่เห็นผิดจากทํานองคลองทำเลยคิดนะแล้วก็ทํำไม่คิดฆ่าไม่คิดขโมยไม่คิดประพฤติผิดในสามีภรรยาไม่ดื่มสุราเอออันนี้คือไม่ทำไม่ทําความผิดนะแล้วก็พูดไม่พูดโกหกพูดปดพูดส่อเสีพูดคำหยาพูดหาสาระประโยชน์ไม่ได้อันนี้ให้ซํารวมกายวาจา ก, กายวาจาใจใจกายวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมอันนี้แหละเป็นว่าเป็นผู้คิดดีถ้าเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วนะ่ะอัตตะสมาปนิีนะ่ให้ตั้งตนไว้ชอบสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำทำแต่สิ่งที่ดีในเมื่อเราทําสิ่งที่ดีแล้วความดีนั่นแหละจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเรา จากนั้นพวกเราก็จะได้ไปสู่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจเพราะว่าในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญนะคณะทายาทโยมลูกหลานอันนี้หลวงพ่อพูดกล่าวให้ฟังได้เลยแต่พวกเราบางคนอยู่ในจิตในใจอาจจะคิดว่าหลวงพ่อเนี่เอาอะไรมาพูดตายแล้วไม่เห็นใครมาบอกสักคนตายแล้วหายเงียบไปเลยอันนี้แหละเนีเป็นหลักที่กั้น กางขวางกั้นทางด้านจิตใจของพวกเราไม่ให้ประกอบคุณงามความดีแต่ตามไม่จริงพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อเข้ามาศึกษาเป็นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงตามหาบัวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เขาหลวงพ่อพุทหลวงพ่อสิงขันตยาขโมที่เมืองโคราชของเราท่านเป็นผู้ ขนคว้าขนขวายพาเข้าป่าดวงพงภัยเดินทุ่งงหาภาวนาตามป่าดวงพงภัยท่านภาวนาฮะอยู่ในถ้าอยู่ในที่แจ้งอยู่ในลอมฟังในที่สงบสงัดท่านผ่านมาทั้งหมดท่านนั่งภาวนาอย่างพระพุทธรูปที่เราที่นั่งอยู่เนี่ยเออท่านพอนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเท่านั้นล่ะพอจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่งเท่านั้นล่ะท่านรู้ได้ด้วยตนเองว่า ร่างกายเนี่เป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งกายกับใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายก็คือร่างกายเหมือนกับรถนะเนมื่อเรานั่งภาวนาจิตสงบเราจะเห็นได้ชัดนะอนันตธาญา ย, ยิโภมลูกหลานนะร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถตนะัวผู้รู้นามธรรมเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเนะี่ยจะเห็นได้ชัดเลยเมื่อเราจิตทำจิตใจให้สงบ วันนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันพระบรมครูพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านออกจากเบียงวังไปบวชอยู่ในป่าเออที่ท่านค้นคว้าศึกษาต้นตระกูลของพวกเราคือพระพุทธเจ้าท่านก็ไปนั่งโพนาอยู่ที่โคลนต้นโพเหมือนกันนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากาหนดกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก พระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเพื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในพระไทยในใจของพระ อ, องค์ท่านระลึกชาติผลหลังได้ปุกเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้ถ้าว่าคนเราเกิดมาชาติเดียวจะเป็นระลึกชาติผลหลังได้ยังไงใช่ไหมเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงระลึกชาติผลหลังได้เพราะนั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์ ผลพัฒนบริษัทของพระพุทธเจ้าให้พวกเราศึกษานะไม่ใช่โมเมลและปฏิเสธไปเลยไม่ใช่หรือยวจะเชื่อทีเดียวก็ไม่ใช่แต่ตามให้จริงเชื่อไว้ดีกว่าเชื่อผู้ท่านผู้รู้ไว้ดีกว่าเพราะฉะนั้นในพวกเราคณะสัตย า, าติโยมเน้อให้ประกอบคุณงามความดีเกิดมาพบนี้ชาตินี้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเป็นผู้โชคดีอย่างมากให้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาท จนเกินไปเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะชี้ดำให้ฝังเท่านั้นเองว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะอยู่โชกฟ้าดินสลายอีกสักวันหนึ่งทุกชีวิตไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าหลวงพ่อนะไม่มีไม่ว่ามีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนก็จะต้องถึงมีจุดจบสักวันหนึ่งไม่มีใครที่จะเว้นไปได้ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุท่านแต่ถึงจะเว้นไปไม่ได้ก็เถอะเพียงจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นเอง เ, อเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นเองแต่ว่าตัวของเราเน่ยเป็นสวมเสื้อผ้าใหม่เข้ามาเอกนั่นแหละแต่เสื้อผ้าปืนในเทง้งเหมือนกับเราเปลี่ยนรถใหม่ลักษณะอย่างนั้นแหละเปลี่ยนรถคันนี้ใหม่แล้วก็ไปเอารถคันใหม่อีกต่อไปพราะรถคันรถคันนี้มันเสียมันใช้ไม่ได้ละมันเก่ามันผุพังไปแล้ว ถึงจะไม่ผุพังกว่าเถอนะเครื่องมันพังน้ํามันแห้งมนะันเครื่องมันพังหมดแล้วเมันไปไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ต้องเปลี่ยนรถคันใหม่นี่แหละ อ, อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเราจะต้องเปลี่ยนพบเปลี่ยนเปลี่ยนชาติแต่ถึงยังไงก่อนที่จะเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นนะเมื <reconsider. S 1> ่อจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม่เนี่ยพวกเราคิดว่าดูสิจะเปลี่ยนเปลี่ยนรถคันใหม่มันไม่ใช่เปลี่ยนได้ง่ายๆนะ เออมันต้องมีเงินเอาไปไปไ ป, ไปแถมเข้าไปอีกไปตบเข้าไปอีกเออแล้วก็ถ้ามันเสียหายมากเขาใช้ไม่ได้ก็ตีราคาอ๋าไม่ตีราคาให้เราเลยเออเราก็ต้องไปเอาเงินของเราไปซื้อรถคันใหม่นี่แหละก่อนที่พวกเราเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติพวกเรามั่นใจหรือยังว่าพวกเรามีบุญมีกุศลไหมพวกเราได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้หรือยัง ให้ทานรักษาศีลภาวนาหรื อ, อย่างแต่ว่าการทําบนะุญน่ะไม่ใช่ว่าทํา ม, มีควักกระเป๋าเอาเงินมาทําบุญไม่ใช่รักษาศีลก็ใช่เลี้ยงดูเลี้ยงดูบิดามารดาก็ใช่เป็นคนดีให้สรุปแล้วคือเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดี อ, อถ้าเราทําได่อย่างนั้นก็เป็นคนดีแหะเป็นไปสู่ความสุขได้แล้วนะถ้าหาว่าพวกเราคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีกรรมไม่ดีนะ่ะ จะให้ผลจะให้ผลเป็นเพื่อนสองของเราในเมื่อเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรถใหม่ะเมื่อเปลี่ยนรถใหม่แล้วก็จนเลยจะไม่มีเงินเพราะเราไม่ได้หาไม่ได้หาเงินไม่ได้หาทุนเอาไว้เพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านคณะศทศชาญาิโยมทุกคนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปและให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุนกุศลตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ที่นี่แนหะทั้งโยมสจที่ท่านพ า, พาพวกเรามาเนี่ยกันมาเพื่อการศึกษาเรียนรู้มาเป็นมาทัศนศึกษาตามวัดต่งตงางๆลุงพ่อว่าเกิดประโยชน์นะ เ, เกิดประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเห็นหลายที่หลายทางถ้าท่านไม่พามาแนละ้พวพกมาพวกเรามาตามลําพังไม่มีทางที่จะมาได้ไม่ไ ม, ไม่มีทางที่จะมาถึงได้ ต้องใช้เวลาต้องใช้ทุนพอสมควรแต่อันนี้พวกเราไม่ได้ใช้ทุนแต่ท่านเป็นผู้ใช้ทุนนิดน่อยท่านเป็นผู้พามาแล้วก็เป็นผู้พานําอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบมาเจอนะนะับว่าเป็น เ, เป็นวันมงคลมาหามงคลในชีวิตของพวกเร า, นะเาการกล่าวจำโหมดท่านนิจะกถากเห็นว่าสมควรกับการเวลา แล้วก็หลวงพ่อจะอานุโมธนาให้พอนะเจ้นี่นะจะตก ป, ปัจจัยที่พวกเราได้ถวายมานี่นะ่ะอหลวงพ่อจึงจะไม่มีพระสงฆ์มาลองมารับนะหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับเอรถของเราเนี่ยเทลงไปที่ใดที่หนึ่งน้ํามันเครื่องนะ่ะเออเอเเขาไม่ได้เททุกหยอดทุกตัวหรอกเขาหยอดลงที่เดียวเท่านั้นนะ่ะน้ํามันเครื่องก็ไหลไปทุกฝันเฟือง ในรถคันนั้นนี่ก็เหมือนกันนะ่ะคณะศรัทธาญาติโยมถวายเจตุปัจจัยมาผ่านหลวงพ่อหลวงพ่อจะต้องดูแลลูกน้องบริวารของหลวงพ่อทั้งหมดวันนี้กันเนี่ยนะพระก็จะได้ไปป่วยไปโรงพยาบาลขนาะดสีนะคกเรียนไปสองสามองค์นะั่นนี่แหละอันนี้ก็คือเจตุปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมถวายมาหลวงพ่อเนี่ยนะดูแลพระสงฆ์อาหาร น้ำข่าน้ข่าวไฟบ้างค่าอะไรผ้าจะพ่ในป้ปวยบ้างเดี๋ยวดีขึ้นนะกำลังจะสร้างที่พักฝ่ายอุบาสิกาทานักชีนะห่างจากที่นี่ประมาณสัก้าหกกิโลมั้ให้เป็นทานักปฏิบัติธรรมสาหรับฝ่ายผู้หญิง น, ะนี่แหละหลวงพ่อกรันจะตกปัจจัยที่ได้มาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายถวายมาเนะี่ยหลวงพ่อเนี่ยนะเอาไปทำ เสานาชนะอย่างพวกเราหลังนี้หจะลาหลังนี้ที่พวกเรามานั่งเกี่ยวเดี๋ยวนี้ได้เงินมาจากไหนก็ได้เงินมาจากพี่น้องประชาชนคนละมากคนละน้อยจากนั้นเขามาสร้างขึ้นมาพวกเราก็ได้มานั่งพักผาอาศัยอย่างนี้แหละจะตุปัจจัยที่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนามันเป็นของกลางนะคณาสัตา ย, ยาติโธมลูกหลาน เป็นสมบัติกลางโพธิมาแล้วกันดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาคนละมากคนละน้อยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเนอรน์คณะทายาทโยมทุกคนให้ได้บุญได้คุณสมมากๆอย่างที่ทายกได้กล่าวคําถวายทานนะนะถ้าว่าพวกเรามีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์มีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิง่งขึ้น แล้วก็พวกเรายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริจรญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภาละลาบยศสนรเสริญสุขนะปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนานะต่อนนี้ไปรับพร